เปรียบเทียบนักบวชกับฝูงเนื้อภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งเข้าไปหากามคุณห้าที่มารล่อไว้ซึ่งเป็นโลกามิตรแล้วลืมตัวบริโภคกามคุณห้าเมื่อเข้าไปหากามคุณห้านั้นลืมตัวบริโภคกามคุณห้าก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกมารทําอะไรอะไรได้ตามใจชอบในกามคุณห้านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมูที่หนึ่งนั้นก็ไม่พ้นจากอำนาจของมารไปได้ภิกสุทั้งหลายเรากล่าวสมณพราหมูที่หนึ่งว่าเปรียบเหมือนเนื้อฝูงที่หนึ่งนั้นภิกสุทั้งหลายสมณพราหมกที่สองคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าสมณพราหมูที่หนึ่งเข้าไปหากามาคุณห้าที่มารล่อไว้ซึ่งเป็นโลกามิตรแล้วลืมตัวบริโภคกามคุณห้า เมื่อเข้าไปหากามคุณห้านั้นแล้วลืมตัวบริโภคกามคุณห้าก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกมารทําอะไรอะไรตามใจชอบในกามคุณห้านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แม้สมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งนั้นก็ไม่พ้นจากอํานาจของมารได้ทางที่ดีพวกเราควรงดบริโภคกามคุณห้าอันเป็นโลกามิตรโดยสิ้นเชิง เมื่องดปริภคที่เป็นภัยแล้วควรหลีกไปอยู่ราวป่าแล้วจึงงดปริภคกามคุณห้าอันเป็นโลกามิตรโดยสิ้นเชิงเมื่องดปริภคที่เป็นภัยแล้วก็หลีกไปอยู่ตามราวป่าสมณะพราหมณ์เหล่านั้นมีผักดองเป็นอาหารบ้างมีข้าวฟ่างเป็นอาหารบ้างมีลูกเดือยเป็นอาหารบ้างมีกะข้าวเป็นอาหารบ้างมีสาหรายเป็นอาหารบ้างมีรำเป็นอาหารบ้าง มีข้าวตังเป็นอาหารบ้างมีกรัรมยานเป็นอาหารบ้างมีหญ้าเป็นอาหารบ้างมีมูลโคเป็นอาหารบ้างมีเง่าไม้และผลไม้ป่าเป็นอาหารบ้างบริโภคผลไม้ที่หล่นเองดำรงอัตภาพอยู่ในราวป่านั้นครั้นถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤ ด, ดูร้อนซึ่งเป็นเวลาที่อาหารป่าและน้ำหมดสิน้นเธอเหล่านั้นก็มีร่างกายสู้พร้อม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 เมื่อเป็นเช่นนี้แม้สมณพราหมูพวกที่สองนั้นก็ไม่พ้นจากอำนาจของมารไปได้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวสมณพราหม์พวกที่สองนี้เปรียบเหมือนเนื้อฝูงที่สองนั้นภิกษุทั้งหลายสมณพราหมูพวกที่สามคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าสมณพราหมูพวกที่หนึ่งละถึงเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหม์พวกที่หนึ่งนั้นก็ไม่พ้นจากอำนาจของมารไปได้ และสมณพราหมูพวกที่สองคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งละถึงเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งนั้นก็ไม่พ้นจากอำนาจของมานไปได้ทางที่ดีพวกเราควรงดบริโภคกามคุณห้าอันเป็นโลกามิตรโดยสิ้นเชิงเมื่องดบริโภคที่เป็นภัยแล้วควรหลีไปอยู่ตามราวป่าแล้วจึงงดบริโภคกามคุณห้าอันเป็นโลกามิตรโดยสิ้นเชิง เมื่งดบริโภคที่เป็นภัยแล้วก็หลีกไปอยู่ตามราวป่าเธอเหล่านั้นมีผักดองเป็นอาหารบ้างละถึงบริโภคผลไม้ที่หล่นเองดำรงอัตภาพอยู่ในราวป่านั้นครั้นถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนซึ่งเป็นเวลาที่อาหารและน้าหมดสิน้นเธอเหล่านั้นก็มีร่างกายสู้ผอมเมื่อมีร่างกายสู้ผอมกำลังเรี่ยวแรงก็หมดไปเมื่อกาลังเรียวแรงหมดไป เจโตวิมุตก็เสื่อมเมื่อเจโตวีมุตเสื่อมแล้วพวกเธอก็กลับหันหน้าเข้าหากามคุณห้าอันเป็นโลกามิตรนั่นอีกเมื่อเข้าไปหาแล้วลืมตัวบริโภคการมคุณห้าก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกมารทาอะไรอะไรได้ตามใจชอบในกามคุณห้าเมื่อเป็นเช่นนี้แม้สมณะพราหม์กวกที่สองนั้นก็ไม่พ้นจากอํานาจของมารไปได้ ทางที่ดีพวกเราควรจะเข้าไปอาศัยอยู่ใกล้ๆกรมคุณห้าอันเป็นโลกามิตรนั้นครั้นอาศัยอยู่ใกล้ๆแล้วก็ไม่เข้าไปหากรรมคุณห้าที่มานล่อไว้ซึ่งเป็นโลกามิตรไม่ลืมตัวบริโภคกรมคุณห้าเมื่อไม่ลืมตัวบริโภคกรมคุณห้าก็จะไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็จะไม่ประมาท เมื่อไม่ประมาทก็จะไม่ถูกมารทําอะไรอะไรได้ตามใจชอบในกามคุณห้านั้นจึงอาศัยอยู่ใกล้ๆกามคุณห้าที่มารล่ อ, อไว้ซึ่งเป็นโลกามิตรนั้นครั้นอาศัยอยู่ใกล้ๆกามคุณห้าแล้วไม่เข้าไปหากามคุณห้าที่มารล่ อ, อไว้ซึ่งเป็นโลกามิตรไม่ลืมตัวบริโภคกามคุณห้าเมื่อไม่ลืมตัวบริโภคกามคุณห้าก็ไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาท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 สมณพราหมูพวกที่สี่มีความคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าสมณพราหม์พวกที่หนึ่งละถึงเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมูพวกที่หนึ่งนั้นก็ไม่พ้นจากอำนาจของมารไปได้และสมณพราหมูพวกที่สองก็มีความคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าสมณพราหม์พวกที่หนึ่งละถึงเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหม์พวกที่หนึ่งนั้ น, นก็ไม่พ้นจากอำนาจของมารไปได้ทางที่ดี พวกเราควรงดบริโภคกามคุณห้าอันเป็นโลกามิตรโดยสิ้นเชิงเมื่องดบริโภคที่เป็นภัยแล้วควรหลีกไปอยู่ตามราวป่าเธอเหล่านั้นงดเว้นจากกรามคุณห้าที่เป็นโลกามิตรโดยสิ้นเชิงและถึงเมื่อเป็นเช่นนี้แม้สมณพราหมพ์พวกที่สองนั้นก็ไม่พ้นจากอำนาจของมารไปได้อันหนึ่งสมณพราหมพูพวกที่สามมีความคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่า สมณพราหมพ์พวกที่หนึ่งละถึงเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมพ์พวกที่หนึ่งนั้นก็ไม่พ้นจากอำนาจของมารไปได้และสมณพราหมพูพวกที่สองมีความคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าสมณพราหมพ์พวกที่หนึ่งละถึงเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหม์พวกที่หนึ่งนั้นก็ไม่พ้นจากอำนาจของมารไปได้ทางที่ดีพวกเราควรงดบริโภคการามคุณห้าอันเป็นโลกามิตรโดยสิ้นเชิง เมื่องดบริโภคที่เป็นภัยแล้วควรหลีกไปอยู่ตามราวป่าเธอเหล่านั้นงดบริโภคการมคุณห้าอันเป็นโลกามิตรและถึงเมื่อเป็นเช่นนี้แม้สมณพราหมูพวกที่สองนั้นก็ไม่พ้นจากอำนาจของมารไปได้ทางที่ดีพวกเราควรจะเข้าไปอาศัยอยู่ใกล้ๆกามคุณห้าที่มารล่อไว้ซึ่งเป็นโลกามิตรครันอาศัยอยู่ใกล้ๆกามคุณห้าแล้ว ก็ไม่เ pues ข้าไปหากามคุณห้าที่มานล่อไว้ซึ่งเป็นโลกามิตรไม่ลืมตัวบริโภคกามคุณหเมื่อไม่ลืมตัวบริโภคกามคุณห้าก็ไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็ไม่ถูกมานทําอะไรอะไรได้ตามใจชอบในกามคุณห้านั้นแล้วจึงอาศัยอยู่ใกล้ๆกามคุณห้าที่มานล่อไว้ซึ่งเป็นโลกามิตรนั้นครั้นอาศัยอยู่ใกล้ๆกามคุณห้าแล้ว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 หรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกขั้ไมิใช่จะว่าไม่เกิดอีกขั้วมิใช่เมื่อเป็นเช่นนี้แม้สมณพราหมุกวกที่สามนั้นก็ไม่พ้นจากอำนาจของมารไปได้ทางที่ดีพวกเราควรอาศัยอยู่ในที่ซึ่งมารและบริวารของมารไปไม่ถึงครั้นอาศัยอยู่ในที่นั้นแล้วก็ไม่เข้าไปหากรามคุณห้าที่มารล่อไว้ซึ่งเป็นโลกามิตรไม่ลืมตัวบริโภคกรามคุณห้า เมื่อไม่ลืมตัวบริโภคกามาคุณห้าก็ไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็ไม่ถูกมารทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในกามาคุณห้านั้นแล้วจึงอาศัยอยู่ในที่ซึ่งมารและบริวารของมารไปไม่ถึงครั้นอาศัยในที่นั้นแล้วไม่เข้าไปหากามาคุณห้าที่มารล่อไว้ซึ่งเป็นโลกามิตรนั้นไม่ลืมตัวบริโภคกามคุณห้า เมื่อไม่ลืมตัวบริโภคกามคุณห้าก็ไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็ไม่ถูกมารทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในกามคุณห้าซึ่งเป็นโล ก, กามิตรนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหม์พวกที่สี่นั้นจึงพ้นจากอํานาจของมารไปได้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสมณพราหม์พวกที่สีน่นี้เปรียบเหมือนเนื้อฝูงที่สี่นั้น ที่มานตามไปไม่ถึงที่ซึ่งมานและบริวารของมานไปไม่ถึงเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากการและอกุโสลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เราเรียกภิกษุนี้ว่าได้ทำมานให้ตาบอดคือทำลายดวงตาของมานเสียอย่างไม่มีร่องรอยถึงการที่มานใจบาปมองไม่เห็น อีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจาร์สงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เราเรียกภิกษุนี้ว่าละถึงถึงการที่มานใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะปิติจางคลายไปภิษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสันเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเราเรียกภิกษุนี้ว่าละถึงถึงการที่มานใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้พระโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุจตุตฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เราเรียกภิกษุนี้ว่าได้ทำมานให้ตาบอดคือทำลายดวงตาของมานเสียยังไม่มีร่องรอยถึงการที่มานใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานาตัสัญญาโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุอากาศสานันจายตนะฌานอยู่โดยกาหนดว่า อากาศหาที่สุดมิได้เราเรียกพิสษุนี้ว่าได้ทำมานให้ตาบอดคือทำลายดวงตาของมานเสียอย่างไม่มีร่องรอยถึงการที่มานใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิสษุบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานอยู่โดยกาหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้เราเรียกพิสุนนี้ว่าละถึง ถึงการที่มานใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะล่วงวิญญาณัญจายะชนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุอากินจัญญายะชนะฌานอยู่โดยกาหนดว่าไม่มีอะไรเราเรียกภิกษุนี้ว่าละถึงถึงการที่มานใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะล่วงอากินจัญญายะชนะฌานโดยประการทั้งปวง ภิกษุบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่เราเรียกภิกษุนี้ว่าละถึงถึงการที่มานใจบาปมองไม่เห็นภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายาตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ก็เพราะเห็นด้วยปัญญาเธอย่อมมีอาสวะสิ้นไปเราเรียกภิกษุนี้ว่าได้ทามานให้ตาบอด คือทำลายดวงตาของมารเสียอย่างไม่มีร่องรอยถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นและข้ามพ้นตันหาอันเป็นเครื่องข้องอยู่ในโลกได้แล้วพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลนิวาปสูตรที่หจบ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 ทิสุเป็นจานวนมากเข้าไปหาท่านพระอ น, นุนถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านพระอ น, นุนว่าท่านพระอ น, นุนเป็นเวลานา น, านมากแล้วที่พวกกระผมไม่ได้สดับธรรมมีกาถาในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคขอโอกาสให้พวกกระผมได้สดับธรรมมีกถาในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเถิดท่านพระอ น, นุ์ตอบว่าถ้าเช่นนั้น ท่านทั้งหลายจงไปที่อาสมของรัมกะพราหมณ์ก็จะได้สดับธรรมมีคาถาในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีประภาคภิกษุเหล่านั้นรับคําท่านพระอานนท์แล้วครั้งนั้นพระผู้มีประภาคเสด็จเที่ยวบินทบาตในกรุงสาวัตถีสเสด็จกลับจากบินทบาทภายหลังเสวยพระกรยาหารเสร็จแล้วได้รับสั่งเรื่องท่านพระอานนุ์มาตรัสว่ามาเถิดอานนุ์ เราจะไปพักกลางวันที่ประสาทของมิคารมาตาในบุพารามท่านพระอา น, นนทุนรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงเสด็จพร้อมกับท่านพระอานนท์ไปพักกลางวันที่ประสาทของมิคารมาตาในบุพารามครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นแล้วตรัสกับท่านพระอานนท์ว่ามาเถิดอานนท์ เราจะไปสงน้ำที่ท่าบุพพะโกตะกะท่านพระอนุนทูลรับสนองพระดำรัสแล้วมารยาทในการประชุมครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมกับท่านพระอนุน ได้ไปส่งน้ําที่ท่าบุพภโกตกะแล้วเสด็จขึ้นจากท่าทรงครองจีวรผืนเดียวประทับยืนผึ่งพระวรกายอยู่ท่านพระอนนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาสมของ ร, รัมกะพราหมณ์อยู่ไม่ไกลทั้งเป็นสถานที่น่ารื่นรมและน่าเลื่อมใสขอพระผู้มีพระภาคเสด็จไปยังอาสมของ ร, รัมกะพราหมณ์เพื่อทรงอนุเคราะห์เถิดพระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคทรงรับโดยดุษณีภาพแล้วได้เสด็จเข้าไปยังอาสมของรมกะพราหม์สมัยนั้นภิกษุจำนวนมากนั่งสนทนาธรรมมีคาถาอยู่ในอาสมของรมกะพราหม์พระผู้มีพระภาคประทับยืนนอกซุ้มประตูทรงรอคอยให้ภิกษุสนทนากันจนจบเสก่อนครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าการสนทนาจบลงแล้ว จึงทรงกระแอมแล้วเคาะบานประตูภิกษุเหล่านั้นเปิดประตูรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังอาสมของ ร, รัมกะพราหมณ์แล้วประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้ครั้นแล้วจึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเวลานี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรค้างไว้ อะไรที่เธอทั้งหลายสนทนากันค้างอยู่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายปรารบพระผู้มีพระภาคแล้วสนทนาทมิคาถาค้างอยู่พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วภิกษุทั้งหลายข้อที่เธอทั้งหลายพูดเป็นกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธา ประชุมสนทนาธรรมมีคถากันนั้นเป็นเรื่องสมควรเธอทั้งหลายผู้มาประชุมกันมีกิจที่ควรทำสองประการคือ 1. การสนทนาธรรม 2. การเป็นผู้นิ่งอย่างพระอริยะ สแสวงหาที่ไม่ประเสริฐภิกษุทั้งหลายการแสวงหามีสองอย่างคือหนึ่งการแสวงหาที่ประเสริฐสองการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐการสแสวงหาที่ไม่ประเสริฐเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้ตนเองมีความเกิดเป็นธรรมดายังสแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่อีกตนเองมีความแก่เป็นธรรมดา ยังแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่อีกตนเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดายังแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่อีกตนเองมีความตายเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่อีกตนเองมีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาอยู่อีกตนเองมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาอยู่อีกภิกษุทั้งหลายหากเธอทั้งหลายถามว่าอะไรเล่าเรียกว่าสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาคือบุตรพัญญาทาสีธาตุแพะแกะไก่สุกรช้างโคมา้าลาทองเงินเรียกว่าสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา สิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเกี่ยวข้องในอุปธิเหล่านั้นชื่อว่าตนเองมีความเกิดเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่อีกอะไรเล่าเรียกว่าสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาคือบุตรพัญญาทาสีธาตุแพะแกะไก่สุกรช้างโคมา้าลาทองเงิน เรียกว่าสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเกี่ยวข้องในอุปธิเหล่านั้นชื่อว่าตนเองมีความแก่เป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่อีกอะไรเล่าเรียกว่าสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาคือบุตรพัญญาทาสีธาตุแพะแกะไก่สุกรช้างโค มาลาทองเงินเรียกว่าสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเกี่ยวข้องในอุปธิเหล่านั้นชื่อว่าตนเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่อีกอะไรเล่าเรียกว่าสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาคือบุตรพัญญาทาสีธาตุแพะ แกไก่สุกรช้างโคมา้าลาทองเองินเรียกว่าสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเกี่ยวข้องในอุปธิเหล่านั้นชื่อว่าตนเองมีความตายเป็นธรรมดาก็ยังสแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่อีกอะไรเล่าเรียกว่าสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาคือ บุตรพัญญาทาสีทาแพะแกะไก่สุกรช้างโคมา้าลาทองเงินเรียกว่าสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเกี่ยวข้องในอุปธิเหล่านั้นชื่อว่าตนเองมีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาอยู่อีก อะไรเล่าเรียกว่าสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาคือบุตรพัญยาทาสีธาตุแพะแกะไก่สุกรช áng, ك, า้างโคม้าลาทองเงินเรียกว่าสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเกี่ยวข้องในอุปธิเหล่านั้นชื่อว่าตนเองมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา ก ja ็ยังแสวงหาสิ <Then se 25> ่งท <ín> ี่มีความเศร้ามองเป็นธรรมดาอยู่อีกนี้คือการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐการแสวงหาที่ประเสริฐการแสวงหาที่ประเสริฐเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้ ตนเอง ม, มีความเกิดเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเกิดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าแล ะ, กะเกษมจากโยคะตนเองมีความแก่เป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความแก่ totally ing, เป็นธรรมดาย่อมแสวงหานิพพานที่ไม่มีความแก่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและเกษมจากโยคะตนเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ทราบชัดถ <lad> ึงโทษในสิ่งที <trad> ่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาย่อมแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเจ็บไข้ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและเกษมจากโยคะตนเองมีความตายเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาย่อมแสวงหานิพพานที่ไม่มีความตายไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและเกษมจากโยคะตนเองมีความเศร้าโศกเป็นธรรมดา ทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาย่อมแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีธรรมอื่ยนยิ่งกว่าและระเกษมจากโยคะตนเองมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาย่อมแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเศร้าหมองไม่มีธรรมเอื่ยนยิ่งกว่าและระเกษมจากโยคะนี้คือการแสวงหาที่ประเสริฐภิกษุทั้งหลาย เมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตย์ยังไม่ได้ตรัสรู้ตนเองมีความเกิดเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่นั่นแลตนเองมีความแก่เป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่นั่นแลตนเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่นั่นแหลตนเองมีความตายเป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นแลตนเองมีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาอยู่นั่นแลตนเองมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาอยู่นั่นแลเราจึงคิดอย่างนี้ว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาฉนไหนยังแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่อีก เรามีความแก่เป็นธรรมดาละถึงมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความเศร้าโศกเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาฉะนั้นยังแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาอยู่อีกทางที่ดีเราเองมีความเกิดเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาแล้วควรแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเกิดไม่มีธรรมเอื่ยนยิ่งกว่า และเกษมจากโยคะเราเองมีความแก่เป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแล้วควรแสวงหานิพพานที่ไม่มีความแก่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและเกษมจากโยคะเราเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาแล้วควรแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเจ็บไข้ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและเกษมจากโยคะ เราเองมีความตายเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาแล้วควรสแสวงหานิพพานที่ไม่มีความตายไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าแล ะ, กะเกษมจากโยคะเราเองมีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาแล้วควรแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าแล ะ, กะเกษมจากโยคะ เราเองมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาแล้วควรแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเศร้าหมองไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและระเกษมจากโยคะพุทธประวัติ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 เมื่อผโนดแล้วก็สแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลขณะที่สแสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าได้เข้าไปหา阿 า, าระดาบทกาลามโคดแล้วกล่าวว่าท่านกาลามะข้าพเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์นในธรรมวินัยนี้เมื่อเรากล่าวอย่างนี้อา ร, าระดาบทกาลามโคดจึงกล่าวกับเราว่าเชิญท่านอยู่ก่อน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 阿าระดาบทกาลามโคดประกาศธรรมนี้ด้วยเหตุเพียงความเชื่อยอย่างเดียวว่าเราทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ก็หามิได้แต่阿าระดาบทกาลามโคดยังรู้ยังเห็นธรรมนี้อย่างแน่นอนจากนั้นเราจึงเข้าไปหา阿าระดาบทกาลามโคดแล้วถามว่าท่านกาลามท่านประกาศธรรมนี้ว่าข้าพเจ้าทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเมื่อเราถามอย่างนี้อลาระดาบทกาลามโคตจึงประกาศอากินจัญญายตนะสมาบัตแก่เราเราจึงคิดว่ามิใช่แต่อลาระดาบทกาลามโคตเท่านั้นที่มีศรัทธาแม้เราก็มีศรัทธามิใช่แต่อลาระดาบทกาลามโคตเท่านั้นที่มีวิริยะแม้เราก็มีวิริยะ ไม่ใช่แต่อาราธดาบทกาลามโคเท่านั้นที่มีสติแม้เราก็มีสติมิใช่แต่อารารดาบทกาลามโคเท่านั้นที่มีสมาธิแม้เราก็มีสมาธิมิใช่แต่อาราธดาบทกาลามโคเท่านั้นที่มีปัญญาแม้เราก็มีปัญญาทางที่ดีเราควรบำเพ็ญเพียรเพื่อให้แจ้งธรรมที่อาราธดาบทกาลามโคประกาศว่า ข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นไม่นานเราก็ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นเราจึงเข้าไปหา阿าระดาบทกาลามโคดแล้วถามว่าท่านกาลามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรือ阿าระดาบทการามโคตอบว่า ท่านผู้มีอายุขขาพเจ้าประกาศด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลเราจึงกล่าวว่าท่านกาลามะแม้ขขาพเจ้าก็ทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อลาระดาบทกาลมโคกล่าวว่าท่านผู้มีอายุเป็นลาบของพวกขขาพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่ได้พบเพื่อนพรหมจารีเช่นท่านเพราะขาพเจ้าประกาศว่า ข้าพเจ้าทําไม่แจ้งทําใดท่านก็ทําให้แจ้งทํานั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านทําให้แจ้งทําใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ข้าพเจ้าก็ประกาศว่าข้าพเจ้าทําให้แจ้งทํานั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ข้าพเจ้าทราบทําใดท่านก็ทราบทํานั้นท่านทราบทําใดข้าพเจ้าก็ทราบทํานั้นเป็นอันว่าข้าพเจ้าเป็นเช่นใดท่านก็เป็นเช่นนั้น ท่านเป็นเช่นใดเข้าไปเจ้าก็เป็นเช่นนั้นมาเถิดบัดนี้เราทั้งสองจะอยู่ร่วมกันบริหารคณะนี้ภิกษุทั้งหลายอลารดาบทกาลามโคธทั้งที่เป็นอาจารย์ของเราก็ยกย่องเราผู้เป็นสิทธิ์ให้เสมอกับตนและบูชาเราด้วยการบูชายอย่างดีด้วยประการอย่างนี้แต่เราคิดว่าธรรมนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อนายเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับ เพื่อสงบระ ง, งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานเป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงอากินจัญญายตนะสมาบัติเท่านั้นเราไม่พอใจเบื่อหน่ายทำนั้นจึงลาจากไป